สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่9ครับความสมดุลระหว่างการมอบฉั้นทะกับความภาคเพียนมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลฝากพี่น้องที่ขิ้จากเมืองเอเฟซัสโดยการที่มอบฝากไว้กับพระเจ้านะครับ ในกิจการบทที่20ข้อที่32ครับพี่น้องครับกิจการบทที่20ข้อที่32ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้พี่น้องฟังก่อนนะครับ and now i c o m m e n d you to god พี่น้องครับการ c o m m e n d ก็แปลว่ามอบฝากไว้กับพระเจ้าก็คือการจัดวางหรือขอตั้งไว้ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองการอารักขาของพระเจ้าอยู่ภายใต้ความรักความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากพระเจ้านั่นหมายความว่าการมอบหรือการฝากไว้นะครับพี่น้องครับในภาษาไทยนั้นก็สามารถอ่านได้อย่างนี้นะครับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านทั้งหลายไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหมายเดียวกันครับกับคำว่า c o m m e n d e d c o m m e n d แปล ว, ว่ามอบฝากไว้กับพระเจ้าคาว่ามอบฝากหรือคาว่า ไว้วางใจหรือมอบฉันทาไว้มีความหมายว่าอาจารย์เบโลนั้นขณะที่ท่านรับใช้พระเจ้าท่ามกลางพี่น้องชาวเอเว ส, สนั้นท่านมีความสมดุลระหว่างการมอบฝากไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลให้พระเจ้าเอาใจใส่ให้พระเจ้าคุ้มครองในขณะเดียวกันครับท่านเองก็ภาคเพียรมุ่งไปสู่ความก้าวหน้า เพราะว่าท่านได้กล่าวไว้ในข้อที่19ถึงข้อที่20นะครับในกิจการบทเดียวกันครับบทที่20่สิบข้อสิบก่บอกว่าข้าพเจ้าได้โปรนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ำตาไหลสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นและได้สั่งสอนท่านในที่ประชุมทั้งที่ตามบ้านเรือนนี่คือความภาคเพียนมานาอุตสาหะบากบัน ทุ่มเทที่ท่านอค า, าทูตเปาโลนั้นนําพี่น้องชาวเอเฟซัสันไปสู่ความก้าวหน้าการเติบโตการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับการอธิษฐานมอบฝ่าไว้กับพระเจ้ามอบฉันทามอบความไว้วางใจให้อยู่ในการทรงนําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การมอบฉันทาที่ไม่ได้มีความภาคเพียนมุ่งไปสู่ความเข้าก้าวหน้าก็เป็นแค่สัตธรรมหนึ่ง เป็นสัตย์ซ้ำแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้มันเต็มครับเราจะต้องมวกกับความภาคเพียรความวิเยอุสาหะมุ่งไปสู่ความก้าวหน้านะครับถ้าเรามองในแง่กับการคือเราภาคเพียรอย่างเดียวมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าอย่างเดียววิเยอุสาหะอย่างเดียวแต่ไม่ได้มอบฝากไว้กับพระเจ้าก็ไม่สมดุลเช่นเดียวกัน พี่น้องครับในพระธรรมสุลยดีบทที่5 5าสข้อยีนะครับสวดุลยดีบทที่5 5าสหข้อยีหลายท่านคงท่องได้จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคาจุนท่านจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคาจุนท่านพระคมภี ร, ร์ภาษาอังกฤษนะครับฉบับ RSV หรือ Revised Standard Version นั้น เขียนอย่างนี้ครับว่าจงมอบภาระหนักที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนั้นคืนกับสู่พระองค์คืนให้พระองค์พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับจงมอบภาระหน้าที่หนักที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนั้นคืนให้กับพระองค์คําว่าคืนให้ก็หมายถึงมอบฝากไว้ครับมอบคืน การมอบหมายมอบฉันทะมอบฝากไว้หรือมอบคืนเป็นสิ่งที่สําคัญครับเป็นสิ่งที่น่าพิศวงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวระหว่างการมุ่งสู่เป้าหมายหรือหลังการมุ่งสู่ความก้าวหน้าย่อมก่อให้เกิดการพักผ่อนการหยุดพักนี้ก็ได้ปลดเอาความกดดันความรู้สึกหนักหน่วง ภาระหนักออกจากอารมณ์ความรู้สึกทำให้จิตใจร่างกายได้ผ่อนคลายทำให้ตัวเบาสามารถมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อเพียงนั้นครับการมอบคืนพระเจ้านะครับย่อมก่อให้เกิดความสบายใจย่อมก่อให้เกิดการพักผ่อนย่อมก่อให้เกิดการหยุดพักย่อมก่อให้เกิดการปลดเปลื้องความกดดันทั้งหลายและความรู้สึกภาระหนักออกจากอารมณ์ของเรา จิตใจร่างกายของเราจะได้ผ่อนคลายทำให้ตัวเบาและสามารถเก็บหอมรอมริบกำลังวังชาของเราเพื่อจะก้าวต่อไปพี่น้องครับให้เรามีชีวิตที่มอบฉันทะมอบความไว้วางใจมอบฝากไว้กับพระเจ้านะครับมอบฝากไว้กับพระเจ้าในขณะเดียวกันะครั บ, รรบต้องมีความสมดุลมีความภาคเพียนวิริยะอุตสาหะ อย่าเอาแต่มอบฝากอย่างเดียวต้องจัดการกับความเพียรพยายามให้ถูกต้องและทําให้เรียบร้อยครับทําในส่วนของเราเรียบร้อยมอบฝากไว้กับพระเจ้าอย่ามอบฝากอย่างเดียวโดยไม่ทําหรืออย่าทําอย่างเดียวโดยไม่ได้อธิษฐานมอบฝากไว้กับพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเรามอบหมายมอบฝากนะครับมอบคืน ทำให้เราเกิดการพักผ่อนทําให้เราเกิดความคลายเครียดครับพี่น้องครับเวลาที่เรารับใช้พระเจ้ามาเราเกิดความเครียดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งความเครียดนั้นยังไม่หายไปนั่นแสดงว่าเรายัางไม่ได้มอบคืนพระเจ้าครับเรายังไม่ได้มอบฝากไว้กับพระเจ้าเรายังไม่ได้ทูลขอให้พระเจ้าทรงนําการรับใช้ของเรานะครับทรงนําการรับใช้ของเราอธิษฐานกับพระองค์ทุกวัน อธิษฐานก่อนการรับใช้พระเจ้าอธิษฐานมอบไว้ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นตามน้ําันไทยของพระเจ้าเราก็ต้องยอมให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดยียวกันครับเราเองนั้นจะต้องวิริยะอุตสาหะภาคเพียรขยันขันแข็งในการรับใช้พระเจ้าต่อไปอาเมน